สาองเราต้องมุ่งสู่สังขารูปเปกขายานซึ่งเป็นประตูของการบรรลุธรรมวงเล็บเปิดเจ็ดมกราคมสองพันห้าหในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบสองวงเล็บปิดง่ายๆนะการปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นทางกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทางใจคอยรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปแล้วจิตใจเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ทันมัน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 เห็นพ่อเห็นแม่เห็นญาติพี่น้องเห็นเพื่อนเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นหมาเห็นแมวมันเป็นคนมันเป็นสัตว์ขึ้นมาหมดเลยทีนี้ถ้าเมื่อใดเรามีสติขึ้นมาอย่างแท้จริงเราจะเห็นเลยสิ่งที่ตามองเห็นก็แค่รูปเท่านั้นเองคือสีวัณรรปเห็นแต่สีไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรือความรู้สึกทางใจนี่เมื่อเราภาวนาเป็นความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่คน ความกโกรธไม่ใช่สัตว์ความกโกรธไม่ใช่ตัวเราความกโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปเห็นไหมพอเรามีสติตัวจริงขึ้นมามันค่อยๆละความเห็นผิดไปแต่เดิมขาดสติไปก็มีแต่ความเห็นผิดสะสมไปเรื่อยๆเห็นมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาพอเรามีสติขึ้นมาเราเห็นเลยรูปธรรมก็ไม่ใช่คนใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราเห็นนามธรรมไม่ใช่ตัวเรา นี่ค่อยๆละความเห็นผิดว่ามีเราไปเรื่อยพอละมากเข้ามากเข้านะจะเห็นเอ๊ะตัวเราหายไปในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราในความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราในความจําได้หมายรู้ไม่ใช่เราในความคิดคํานึงที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตเกิดดับเองเดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจตัวเราหายไปเมื่อภาวนา ม, มาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะตัวเราหายไปนี่ จะเกิดอาการประหลาดๆขึ้นมาบางคนกลัวบางคนรู้สึกเวงว้างไม่มีที่พึ่งตัวเราหายไปแล้วแย่แล้วเวงว้างบางคนรู้สึกน่ากลัวเหลือเกินตัวเราหายไปแล้วเคยมีอยู่มาตลอดชีวิตอยู่ๆหายไปบางคนรู้สึกเบื่อทุกอย่างเลยนะเบื่อสุขเบื่อทุกเบื่อดีเบื่อชั่วเพราะตัวเราไม่มีแล้วจะเอาสุขเอาทุกเอาดีเอาชั่วไปทาไมเบื่อทุกอย่างเสมอภาคกันหมดเลยอาการเหล่านี้เป็นปัญญาในระดับกลางๆ ตั้งแต่อาทีนาวานุปาานัสนาญาณพยตูปัตตฐานญานนิพิทานุปัสนาญาณย า, น, ยา น, นี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันตำราชั้นหลังมาแยกเป็นสามยานในพระไตรปิฎกบอกว่าสามยานนี้เหมือนกันโดยอัฏฐะต่างกันโดยพยัญชนะหมายถึงภาษาเรียกต่างกันแต่เนื้อหามันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอาการเพียเพ้ยนๆของใจที่ตกอกตกใจขึ้นมาว่าตัวเราหายไปนั่นแหละ ทีนี้ถ้าเราภาวนาเกิดความรู้สึกตกใจขึ้นมาว่าตัวเราหายไปหรือเบื่ออะไรนะให้ดูลงไปอีกความเบื่อความตกใจความเวงว้างอะไรพวกนี้เป็นของแปลกปลอมเหมือนกันเหมือนกับอารมณ์อื่นๆนั่นแหละพอดูแล้วมันก็หลุดออกไปอีกใจมันก็ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเกิดดับอยู่อย่างนั้นเองจิตหลงยินดียินร้ายบ้างรู้ทันขึ้นมาก็เป็นกลางบ้างต่อมาก็เริ่มมีปัญญาขึ้นมา ถ้าหลงยินดียินร้ายแล้วหลงทํางานทางใจความทุกข์ก็เกิดถ้าไม่ยินดียินร้ายเป็นกลางไม่มีการทํางานทางใจความทุกข์ก็ไม่เกิดค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะในที่สุดมันไปรู้สภาวะโดยที่มันไม่ยินดีอินร้ายมันเป็นกลางอัตโนมัติเพราะมันฉลาดมันรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยแล้วถ้าหลงยินดีอินร้ายมันจะทุกข์ถ้าปัญญาขยบมาถึงจุดนี้นะเรียกว่าสังขารุปเปก ข, ขายาน มีปัญญาที่จะเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหมดเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนักปฏิบัติเราต้องมุ่งมาสู่จุดนี้นะต้องมุ่งมาสู่จุดนี้เพราะสังขารุปเปกขายานคือประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานพวกเราหลายคนภาวนาเหมือนตามยถากรรมนะทำทำไปเถอะทำอะไรก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ทำนอกลูก่นอกทางนะส่วนมากก็แค่ไปทำความสงบจิตบังคับกายบังคับใจทำอยู่อย่างนั้นกี่ชาติมันก็ไปไม่รอดหรอก ต้องมีสติขึ้นมามีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมามีปัญญาเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงเห็นเลยทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้เลยว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นมีกระบวนการทํางานเกิดขึ้นจะมีความทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้นะเห็นซ้ําๆซ้ําลงไปในใจเรานี่ใจจะค่อยขยบขยบขึ้นมาในที่สุดเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะก็ขาดเลยพอรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริง จิตไม่ทำงานแล้วจิตไม่ปรุงต่อพอจิตไม่ปรุงต่อจิตไม่ทำงานเนี่ยจิตจะไปเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งคือนิพพานนั่นเองมันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยเหตุผลไม่ใช่เรื่องฟลุกนะไม่ใช่หลับหูหลับตาภาวนาไปเถอะเดี๋ยวชาติหนึ่งก็นิพพานไปเองนะ